หลังตาจะพูดธรรมะให้ฟังพูดธรรมะคือพูดเรื่องของเราดนีย่ยแหละน่าศึกษาชีวิตของเราเองมีความเท็จความจริงอยู่ที่นี่เราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของเราดี เราหลงก็ลหลงเรื่องของเราเนี่ยเรารู้ก็รู้เรื่องของเราเนี่เราโง่ก็โง่เรื่องของเราเรามีฉลาดมีปัญญาก็รู้เรื่องของเราความโลภ ร, รู้ในกองสังขารเนี่ยมันเป็นปัญญาสังขารคือร่างกายจิตใจใครก็ตาม <c oughs> จะเป็น น, น, น้อยหนูน้อยน้อยจะเป็น หนุ่มสาวจะเป็นคนปันกลางจะเป็นคนมีอายุจะเป็นพระเป็นสงฆ์คารวะญาติโยมก็ตาม feet, มีเรื่องเดียวกันวามโกรธก็เป็นเดียวกันกามไม่โกรธก็อันเดียวกันวามทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันกามไม่ทุกข์ก็อันเดียวกันกามหลงก็หลงเหมือนกันกามไม่มลลห Tree, มมลงก็เหมือนกันมีเหมือนกันหมด ถ้าบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันสวรรค์นิพพานก็เหมือนกันอันเดียวกันหาได้ที่ในตัวเราเนะ่รู้ได้ในกายในใจนี้เป็นสูตร <c oughs> สูตรกายอันกว้างสอกยาววาหนาคืบดีอันมีสัญญามีจิตใจนี้ แล้วมันมีตั้งแปดมืนเรื่องอยู่ในกายในใจเราเนี่ยเราจะมาศึกษาให้มันรู้เรื่องรู้ราวของชีวิตเราจะได้ไม่มีปัญหามันเป็นโจทย์เราถูกเป็นจำเลย <c oughs> ของกายของจิตถ้าศึกษาจบแล้วมันก็ไม่มีอะไรแค่นิสระภาพ วุนก็เกิดที่นี่สวรรค์ น, นิพพานก็เกิดที่นี่จึงงาศึกษาดูของเท็จของจริงมันเป็นยังไงของไม่จริงมันเป็นยังไงของจริงเป็นยกงไยสัมผัสเอาอย่อให้ใครมาหลอกเราได้จนความโกรธนี่มันจริงไหม ทำไมจะให้มันหลอกตลอดพบตลอดชอบความหลงเนี่ยมันจริงไหมความทุกข์มันจริงไหมมันคืออะไรทำไมจึงต้องรับใช้มันสงงานสงการสางการเราเคลื่อนดีเลยเราจึงมาศึกษามันซะให้รู้ตั้งแต่นนน้อยก็ดี ทำไม่รู้เรื่องนี้ก็อเสียชาติเลยเราจึงมีการศึกษากันให้มากมากมาอขอให้เป็นวิชาเอกซะอย่าเป็นเอกเรื่องอื่นเกินไปเอกเรื่องนี้ก่อนเอกเรื่องอื่นก็ง่ายลวบนะ้านาทำตัวกาหนดสะดวกไปเลยเราจึงมาดู เอากายเป็นตําลาเอาใจเป็นนําลาเอาสติเป็นนักศึกษาดูเข้าไปเมื่อดูก็เห็นแหละดูกายก็เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็มีควงมรู้บ้างความหลงบ้างคู่กันไปแล้วก็ดูด้วยไปแล้วสภาพที่รู้นี่คืออะไรสภาพคือหลงคืออะไร ดูเลยไปความหลงคือใดมีความรู้ที่นั้นเป็นเรื่องสนุกความหลงก็เป็นของจริงความหลงก็เป็นของไม่จริงมันหลงจริงจริงเดีวมันก็ไม่จริงอ่ะความหลงนะ่ะก็มีความรู้เข้าไปเออมันก็หมดไปได้ก็ให้มันเห็นอย่างนี้อดีก็มีทุกอันดีก็ไม่ทุก ก็เห็นมันมันจะแสดงมันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกอันกายของเราเนี่ยมันทําให้เราดูมันมันเป็นตัวแสดงอันหนึง่งแสดงถือความไม่เที่ยงแสดงถืความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็รู้เอเห็นเอาแต่แล้วมันหลงรู้ตรงมันข้าม บางทีเป็นเรื่องสนุกด้วยสนุกหลงสนุกรูก้ไปในข่าวเดียวกันสนุกทุกข์สนุกไม่ทุกข์แล้วมันโกรธสนุกโกรธสนุกไม่โกรธ <c oughs> ให้เป็นเรื่องสนุกเห็นขวัญโกรธเป็นเรื่องจริงยิ้มแย้มแจ่มใส่ถ้าเราเห็นแล้วถ้าเราเป็นก็หน้าบูดหน้าเบิง่ง ถ้าเราเห็นนี่ยมันน่าหัวเราะมันโกลมโกรดน้าเยอะเย้ยมันความทุกข์กหน้าเยอะเย้ยมั น, น, มนถ้าเราเห็นล่ะถ้าเราเป็นเข้าไปกับมั น, มนก็แสดงไปตามเรื่องตามเหล่าของมันบีบบังคับเราบางท่านที่มันไม่จริงลองเปลี่ยนดูลองดูด ให้มาเห็นให้มาดูเนี่ยเห็นอะไรก็เท่าไม่เห็นกายเห็นใจของเราเด็กแต่บุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่บรรลุร่างกายเรื่องใจเนี่ยมันก็เกิดที่นี่ก่อนบุญเดนศาสนาคือกายคือใจบุญนอกศาสนาคือพิธีรีตองต่างๆอะไรเป็นบุญนอกศาสนา เอาจริงเอาเท็จกับความนอกกายนอกใจกันไปเอาผิดเอาถูกกับนอกกายนอกใจเกินไปจัดระเบียบภายนอกเกินไปในกายในใจเนี่ยลอะเลอะเทอะเทอะอยู่ความร้ยายคุงดีอยู่มันก็ไม่เป็นระเบียบสักทีก่อนที่มันเป็นระเบียบภายนอกภายในมันต้องดีก่อน เราจะมาศึกษาเป็นสูตรต้นต้นเป็นสูตรเอกวิชาเอกเอกมรโควิวสุทธิยาสติปัฏฐานเนี่ยสติเนี่ยเป็นวิชาเอกมันจะได้เห็นเกิดภาวะเห็นขึ้นมาเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นใจที่มันเคลื่อนมันไหว การเคลื่อนไหวของกายหลายอย่างหายใจเข้าหายใจออกพลิบตาเคลื่อนำลายขั้วเหยียดเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นกายเคลื่อนไหวเราก็อยากให้มันเคลื่อนไหวฟรีๆเราลูลม่มันมันฟีมานานแล้วเดินฟรีๆมันชิดไปฟรีๆมันหลงไปฟรีๆใช้ประโยชน์จากมันเวลามันหลงเอาความหลงมาเป็นความลู่ แม้แต่มันทุกข์เอาความทุกข์มันเป็นความรู้ได้แม้แต่มันโกรธเอาควาโกรธมันเป็นความรู้ได้อย่าให้มันฟรีมัเราไปกินฟรีไม่ได้มันก็มาบ่อยถ้าเอาไปมาที่ใดก็ให้มันทุกทีมันก็เอาไปบ่อยเหมือนโจรผู้ร้ายที่รักของสมัยหนึ่งมีเด็กนักเรียนมารักของที่วัดเนี่ยรักกะติลังเดียว หลองอื่นไม่ค่อยเอาก็ดีลองนั้นเป็นหลวงตาหลวงตาก็โ ง, โ ง, โง่โจับได้นักเรียนพอจับได้ก็ถามมันโดยทำไมมาลักของหลวงตาอยู่เลยเพราะเขมาทีเดมาได้ทุกทีฉันบอกกันนะมาที่เดก็ได้ทุกทีก็เลยมาเอาทุกทีพอ้เจี๊ยกก็อาจารย์เขาเลยไล่ออกจากโรงเรียนลักกัน อะไรต่างๆมากมายในตัวเราแล้วกันโจนคืออะมันมาเอาเอาไปกินฟรีความโกรธมาเอาไปความหลงมาเอาไปความทุกข์มาเอาไปความรักความชังมาเอาไปมันจริงไหมเสียเปียบความโกรธมีไหมพวกเราทั้งหลายเสียเปรียบความทุกข์มีไหมมีเหมืนกันหลวงตาเคยเสียเปียบความโกรธม า, มากเหมือนกัน่ะ เสียเปรียบความทุกข์มามากว่าเสียเปรียบความหลงว่ามากหลายคนที่เสียเปรียบความโกรธความโลภความหลงจนเสียผู้เสียคนมันคืออะไรในชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรเราจะต้องมาศึกษามันซะนะให้วันเห็นเห็นจริงๆนหะไม่รีแลบดอกมันหลงก็เห็นนะวันรู้ก็ รู้สัมผัสสภาพรู้สภาพหลงสําวัส ด, ดูมันเป็นยังไงแต่ให้มันมาพร้อมๆกันเวลามันหลงรู้เหมือนต่างกันไหมเวลามันทุกรู้เหมือนต่างกันไหมอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เนะ่ยเอาความรู้ไปเปรียบเทียบคิดเลยมันลองดูแต่เราต้องสร้างภาวะที่รู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเหลือนก่อนเหมือนเจ้าของ เหมือนเจ้าของกายเหมือนเจ้าของจิตใจอย่าให้มันเถื่อนใช่ไหมไม่ชีน้อย <laughs> อย่าให้กายมันเถื่อนอย่าให้ใจมันเถื่อนอะไรที่มันไม่มีเจ้าของมัน ส, สนัมส่วนถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตสัมสนโสเพนิจิตคิดอะไรก็ได้ การเป็นกายก็กายสับสอนอะไรก็เอาหมดสูบบุหรีก็สูบยินเราโกยินทุกก็เอาทุ ก, กเอาโกรธเราหลงเอาลักเอาชังเอามซสับสนกันไปใช่ผิดประเภทใช่มันถูกต้องเจ้ใช่กายให้มันถูกต้องถ้ามีสติเป็นเจ้าของเราจับกายมาใชา้จับใจมาใชา้จับตามาใชา้จับหมูมาใชา้ จมูกลิ้นกายใจเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้มันใช่เราเป็นทาตของมัน ใ, ใจบางทีมันใช่เราบังคับให้นอนไม่รับก็ไม่ให้กินไม่ได้ก็ไม่แล้วจึงมาเป็นเจ้าของกายไปเป็นเจ้าของจิตใจมีสติอ่านหัดทําให้หั ด, ม, หดมันทําให้เป็นไม่ใช่รู้ มันมีใครสอนเราได้เรื่องนี้เราต้องสอนตัวเราเองหัดรู้ไปเวลามันหลงรู้เวลาอะไรที่ไม่ใช่ความรู้รู้เข้าไปให้มันตรงกันข้ามมันมีตัวตัวสภาพตรงกันข้ามในโลกนี้มีหลงก็มีรู้มีทุกข์มันก็มีไม่ทุกข์ มีโกรธมันก็มีไม่โกรธมีร้อนมันก็มีไม่ร้อนมีหนาวก็มีไม่หนาวมีบุญมันก็มีบาปมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดมีเจ็บมีแย่ก็ต้องมีไม่แย่มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายปานนั่นเรามันก็ต้องจบแน่นอนล่ะถ้าไปจบสูตรนี้ก็เสียชาติ พระศิทธะเจะ้าพระชายออกศึกษาเรื่องนี้จึงได้เป็นพระเจ้าว่าใช่จบจากที่ใดเลยจบจากกันอื่นมามากมาสิบเจ็ดศาสตร์ไม่เป็นพทธเจ้าหรอกไปเรียนรู้มารู้หมดแต่เวลามาฝึกเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้มันทำให้เป็นฝึกให้มันเป็น ไม่ใช่ความรู้นะถ้ามันหลงก็รู้ทำเป็นแล้วถ้ามันทุกข์ก็รู้ทำเป็นแล้วถ้ามันโกหกก็รู้ทำเป็นแล้วเห็นตรงกันข้ามพอดิมันจะทนต่อการพิสูจน์ได้ไงมันเป็นวิทยาศาสตร์ถามบาทความหลงเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงถ้ามันทุกข์รู้จึกตัวเป็นยังไงก็ต้องจริง ทำย่อมพิสูจน์ไปได้ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงจริงความหลงไม่จริงความหลงความไม่หลง่จริงกว่าเลือกได้เลือกได้ว่าถ้าเป็นจิตก็ก็ใช่ได้ของได้มีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจ ดูเลยกายใจให้คุ้มเลยบ้านเอาและบานเนี่ต่อไปนี้จะไม่ใช่กายใช่ใจให้ทำความชั่วให้เป็นทุกข์จะใช่กายใช่ใจทำก็ดีไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษทุกคนมัวรู้ล่องในเขาวันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้เราเราก็ทอโทษลงโทษตัวเรา พอไม่พอลงโทษคนอื่นอีอตามตามความโกรธทำตามความทุกข์หาตัวเองตายก็มีห้าคนอื่นก็มีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้มันแม้แต่มีคุกเปิตแลดมีกองทัพมีตัวบทกฎหมายเพื่อให้อยู่เยินเป็นสุขมันก็ยังไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้เรื่องตัวเราจริงๆะให้คนอื่นมาบังคับเราต้องมาศึกษาต้องมาเห็นนะมันก็อยู่กับเรานี่โอ้ยดีใจเห็นหนูๆน้อยๆนักเรียนมาปฏิบัติธรรมนะพ่อกับพ่อกับแม่ครูาอาจารย์มันเกิดขึ้นมาแล้วยุคนี้เป็นยุคทองยุคธรรม แม้ยุคนี้มันเป็นลูกที่พับในโลกโอดมงสงบนต้องมาชาติลงโทษเราเอาะไรต่างๆเราห้อยเราเขียนไว้ที่ใดชีวิตเราน่ะใครทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ยอมแม้ทุกวันนี้มันเจงขนาดจะทำให้คนจนก็ได้จะทำให้คนรวยก็ได้ มากไปทำให้คนจนคนใดฉลาดก็เอาเปรียบคนโกงคนสร้างให้คนหลงเขาก็ได้เปรียบคนหลงเอาสารข้อมูลต่างๆเราจะพยายามสร้างให้คนหลงเมื่อเราหลงเขาก็มีประโยชน์จากความหลงของเรามันก็ มันก็ไม่สมนุนกันสโสเปนไม่มากกว่าหมอแรงการมันมีมากกว่าโรงเรียนนักเรงไม่มากกว่าครูบาอาจารย์แม้แต่พระก็เังกันพระเสกก็ไม่มากกว่าพระสอนพระซากไม่มากกว่าพระสอนลื่นเป็นเฉียงลื่นเฉียง ไม่ไม่ดีแล้วญาติโมเยมันก็บทสภาพลิ่นแข็งหูก็ดวดว่าอยากพูดอยากแสดงละไรตกว่านะไม่น่าฟังใช่ไหมไม่คิดหน่อย <laughs> ไม่ไฟลลนะอย่ไปฟังเอาสุ่มเสียงนะหลงตาธรรมดาฟังเอา ของเราเนี่ยหลองตาพูดพูดเรื่องอะไรว่าใช่พูดให้ฟังแล้วอ่ะไพเราะเพราะเพีงพูดนี่พูดเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องสติเราก็มีได้ไหมโอ้สติคือความรู้สึกความเลือกได้เนี่ยเราก็รู้สึกตัวเด็เครื่อนไว้อยู่นี่โอ้สติเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหนังสือว่าใช่ใครพูดพอพูดปั๊บก็รู้ไปทันที โอ้ชติคือความรู้สึกนี้พูดเรื่องงานที่เราทําเราก็ได้ยินในเรื่องที่เราทําอยู่สิ่งที่เราทําเราก็ได้ยินนี่ยังเรียกว่าสอนธรรมะพูดธรรมะม่ใช่เลาไดีใจเอาไปทำรูพูดไห้เอาไปทํารู้มีความรู้สึกวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งรู้ทีนึง วินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งถ้ารู้ทุกวินาทีอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปเชื่อครถ้าหลงทุกวินาทีอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปเชื่อใครไปอ้อนวอนก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ <c oughs> นี่เด็กน้อยไปทอดกรถินที่วัดสนาไในเด็กน้อยโรงเรียนป .5 สองปัจจัยมาถวายหลวงตาขอถวายหลวงตาหนึ่งร้อยบาทขอให้ ข, ขอให้ขอให้ได้เป็นผู้หลานในชาตินี้เทอเด็กน้อยปรารถนาให้เป็นให้ได้เป็นผู้หลานในชาตินี้อาจจะได้เป็นของเขาเพราะจิตของเขามันมุ่งตรงนั้นเหมื่อลองตาเห็นเด็กคนหนึ่งอายุ สามขวบมาเล่นวัดต่อชื่อไอหมูหมูหมูเติบโตขึ้นมาเชยจะเป็นอะไรเด็กน้อยของมันบอผมจะเป็นด็อกเตอร์เด็กน้อยสามขวบผมจะเป็นด็อกเตอร์อาชีพแบบนี้นผมมาเรียนก็หนึ่งปวสองปวสามวัดขวบไ่ได้เกดเอตลอด เดี๋นี่ถึงมงสามแล้วใช่ไหเออตลอดเลยอาจจะเป็นด็อกเตอร์มันก็เพราะมันมันฉีดเส้นกับมันไวอันนี้เด็ก น, น้อยมันอาจจะคิดเรื่องเป็นพระอรหันแล้วก็มารับใช้พระเก้าอี้ตั้งอยู่เป็นร้อยๆตัวมันเหมาฝนตกมันเช็ดหมดเลยรีบเร่งเวยไม่ใช่เธอเอเธเช็ดเ e, ก้าอี้ฝนตกโอ้อาจจะเป็นพระหันต์มันก็นนะ่ะ อันนี้คือคื อ, อจัดแจงจิตใจไม่ใช่อ้อนวอนเรารู้สึกตัวมันจะเกิดอะไรเกิดเราหลงมาเกิดอะไรเกิดไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่ปาถนาอันนี้เป็นการกระทํากรรมจะจำแนกไปเองสิบสี่จังหวะเราสร้างสติเนี่ยพอดีพอ ด, พอดีวินาทีาทหนึง่งรู้ที่ัง ถ้เดินนะกงงอ้านาทีหนึน่งได้ล่อเก้าถ้าลองตาเดินอ่ะตอมาจึงเดินได้ล่อเก้าเพราะยุงมันกัดไปอยู่กรุงเทพตอนเช้ายุงมันกัดได้เดินจะชา้าไหมแขนก็ต้องแข่งนาทีหนึน่งได้ลอิเก้าชวงหนึ่งก็ได้หกมันเกา ชวมงครึ่งก็ได้หมื่นเก้าอย่างน้อยมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามีความรู้สึกตัวมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นไปมันก็ไปหลงไม่ต้องไปอ่อนบอนไม่ต้องไปป้องกันความโกรธความโลกความหลงตัวหลงเป็นต้นเหตุพอเราศึกษาไปก็เห็นแต่ตัวรู้ตัวหลงเบื้องต้น มีสภาพรู้จักตัวมีสภาพกลมหลงตัวต่อหน้าต่อตาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไมไดงมงงสาวๆตัวหลงก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เราเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นงานเป็นการไม่ใช่ทำชํำเฉยๆบางทีก็มีตัวทุกตัวสุขอาอก็มีตัวลูกเกินมา สติพันอะไรเยอะแยะไปเลยเหมือนสองข้างทางถ้าเปรียบเหมือนสติเป็นผู้เดินทางก็รู้โดยรู้ลงก็ไปละไปจากอะไรไปจากความหลงเหมือนสติเป็นตัวเดินทางถ้าเป็นตัวเดิ น, นจริงๆเป็นมรรคจริงๆเพราวะว่าที่รู้ที่ดูเนี่ยสองข้างทางมีตัวสุขตัวทุกข์ตัวผิดตัวถูก ก็เห็นมันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันโุกก็รู้มันสุกก็รู้เยอะข้ อ, ของหยาแหละเวลาใดมันหลงรู้ไม่เสียหายเวลาใดมันผิดรู้ไม่เสียหายผู้ที่มีสติไม่มีเสียหายผิดก็มีประโยชน์ถูกก็มีประโยชน์ทุกก็มีประโยชน์สุกก็มีประโยชน์จิตเด ے. บวไม่เชื่อมน้าไหมคุณเป็นเ ส, เ ะ, สะเทือนบกสเถือนน้ำปานนี่นะสะติน่เป็นกกขี้ตายปลายขีเป็นศักดิ์สิทธิติเนี่เป็นกรรมที่ศักดิกรรนนะ์สิทธิกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวนศักดิ์สิทธิกรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิงเรียกว่าวิชาเอกพระเจ้าก็เรียกว่ากรรมูนาวัตติโลโก ่อโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่เรามาทำตัวแน่มั่นใจนะไม่มีเลยมั่นใจเท่ากับเรามามีสติดูแลกายใจของเราค้องได้จริงๆขงองกายของเราคองใจได้จริงๆเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เกิดโทษเกิดภยัยเราัอยอย่างเลิคนอื่นเราละอายความหลงของเรา ออยความหลงไอยความทุกข์ไอยความคิดที่มันบ้าๆบอๆโดยกรมันซ้ำซ้อนจริงๆเวลานอนหาเรื่องมาคิดสารพัดอยา่างคิดขึ้นมาแล้วนตาร่วงน้าตาไหลจินไม่ได้แต่ก่อนนะแบบนี้ไม่ได้แล้วนะนะูโลภันนะเออมันก็เป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่อายคนอื่น ความชั่วไม่ใช่อายคนเด่นความดีก็ไม่ใช่ขอคนเด่นเราทําได้กับเมื่อเราเนี่ยเรารู้อยู่นี่ฮะแล้วก็รู้อยู่เนี่กับมันก็มั่นใจนะถ้าเราไม่มีตัวรู้เนี่ยสภาพที่รู้เนี่ยแม่มีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอยังไงข่มไล่ข่มดีผูผูแพลแผลของรักกลายเป็นของชัง ของชอบกลายเป็นของมาชอบพอใจไม่พอใจในสิ่งเดียวกันนี่บ้างไหมบางทีเพื่อนกันโกรกกันมีไหมไม่แต่พ่อแม่กันโกรคระอาจารย์ก็ยังโกรธไดไ้สามีพัญญาโกรธได้ไม่พอไม่มัดใหญ่บางทีก็อวดกันเลยมึงไม่รู้จะเกือหรือถ้ากูโกรธี้ไม่เหมือนคนเนี้ยนะ ถ้ากูได้โกรธแม่งเหมือนคนนี่นะเอาไปอ้างกันเลยว่าเอาโกรธไปอ้างว่าเปิดตัวตนระวังนะมึงไม่รู้จะกกูมึงรู้จะโ ก, กูน้อยเกินไปอะไรคือโกะ เ, เอาความโกรธเป็นกูขึ้นมาฆ่ากันตีกันได้หลือละกู่บอกตีแม่ตีลูกไม่รู้จากแม่มึงลือตโลกแม่อะไรไปตีลูกไม่ว่าไปตั้งแต่พ่อมีไหม มึงไม่รู้จากพ่อมึงหรือมีไหมไปตีลูกแล้วมันจริงไหมอันความโกรธตีลูกมึงไม่รู้จากพ่อมึงหรือเนี่ยมันมีจริงไหมเดี๋ยวนี้มีไหมพอหายกวธเราเสียใจน้ำตาไหลกันแล้วอายกันโอไม่รู้ตัวเองทำผิดทำชั่วได้สะรับผิดจะไปอะไรไม่ไม่ไม่ใช่เรา ไปคุมร้ายคุมดีนี่เรามาศึกษาเรื่องนี้กันเท่าเท่ากันเป็นหนูห น, หนูน้อยนอยก็หลงเหมือนกันเราก็รูกก้เหมือนกันเราก็โกรธเหมือนกันอันเดียวกันแต่ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่าลองดูลองดูอย่าไปเชื่อใครถ้าไม่เห็นตรงนี้ ไปเชื่ออันอื่นมาได้ไปไม่เชื่อไปไปเสียตัวหนึ่งถ้าปฏิเสธก็ไปเสียตัวเราเนาะก็มันหลงก็เข้าข้างความหลงไม่มีความรู้เลยเวลามันลงหองหัดดูใจหัดดูใจเข้าทางนี่ลองดูนะวันมีงานไม่กา ร, การจนํานี้ชํานาญขยันจ้างน้อยเรียกว่าภาวนาหม่บุญที่เกิดจากภาวนาบุญสูงสุด เป็นหลงเป็นรู้ในี่ทำบุญแล้วบุญคือตัวรู้บาปคือตัวไม่รู้เอา้าตรงได้เลยทีเดียวบุญคือตัวรู้รู้อะไรรู้รูป ล, ล, ลู้น้มรู้กายรู้ใจรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามว่าไม่เที่ยงกมมกเกิดขึ้นกับรูปลู่ว่ามันทุกข์เกิดขึ้นกับรูปลู้ ไม่รับใช้ความไม่ไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์นี่คือบุญเราเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นบาปได้เป็นงถ้าไม่จงเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงผู้มีบุญเป็นเวลามันทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะความเป็ทุกข์ทำบาปไม่เป็นบุญทุกข์นี่เป็นบุญน่ะ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ร bon ู้จยากบุญความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เป็นบุญได้เป็นสวรรค์ได้เป็นนิพพานได้เป็นสวรรค์นิพพานในความไม่ทุกข์ได้เป็นนิพพานในความไม่เที่ยงได้เหมือนเราสวดเมืม่อกี้เนี่ยได้สวดไหมเมื่อกี้น่ยตีละคลั่งคาถานะความไม่เที่ยงแต่แท้ได้นิพพานความไม่ทุกข์แท้ได้นิพพาน แต่ปุถุชนเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์พระเลี้ยบุคคลเอาความทุกเอาความไม่เที่ยงมาเป็นในผ่านได้นั่นแหละเมื่อเมื่อนั้นย่อมหน่ยหนยนายน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระในพ่านนั่นนี่คือบุญทำบุญต่อเนี้องบ้งบาง เวลานี่น้านี่กำลังทำบนทอดกะเท็นกันบางแห่งเน่เมื่อวันอ่านหนังสือพิมพ์อจังหวัดร้อยเอ็ดเหรอไปทอดกระถนงานกระเท็นเนี่ยทำบังผู้แข่งขันกันเอาผู้ไปโูดผู้แตกใส่ตายไปห้าศพเก็บไปเท่าไหร่ไม่รู้เล่นการพนันกันโดยแข่งขันกันของใครจะดังกว่ากัน แบบฉบับมันมีหลายฉบับฉบับสมัยก่อนหลวงตา ก, ก็เคยเคยเคยได้ร่วมทำบนแบบได้พลังงานเอาจุดเทียนจุดเทียนจากผุไปเป็นสองเส้นสามเส้นตะเทียนดับหมดก็แทงว่าได้รลังวันที่หนึ่ง ถ้าเทียนดับก็ดับเทียนถ้าของไข่ดำก็ดับไปแล้วก็เฉียงกันกันเอาลงกันต่างคนต่างมีฉบับของไข่ของมันผุเนี่ยฉบับประสาทปีนฉบับไข่เน่า <c oughs> น <ะ S 2> <c oughs> เวลาไก่ฟักไข่ถ้าผู้จูดในางานก็ะเทียนไข่มักแก่เน่าเลย <c oughs> ไม่มีโูคหรอกมันตายาเพาะกรเถียนแลาผู้ เมื่อวานเนี่ยตายไปห้าศพฟังเลยรนะ่างกายทำบุญเหมือนกันบุญนอกศาสนาเอาเริงกับเรื่องนั้นเกินไปอาจจะไม่ถูกต้องบ้าบุญก็ม่ทุกวันนะเราจรึงมาทำบุญแบบไหนภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากภาวนาสูงสุดเลยทีเดียวแม้แต่เราเล้ยงยกมือสร้างจิตวิานะก็เป็นศีลแล้วไม่ไปไหนแล้วลู้สึกตัวนี้รู้สึกตัวนี้ เนี่ยจึงมาพิสูจน์ช่วยกันดูหลวงตาก็หมดสภาพแล้วสอนคนก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์คนยังโกรธอยู่ยังหลงอยู่ยังทุกข์อยู่หมดแล้วหมดสภาพแล้วตั้งแต่สอนธรรมมาเลยเกือบพึ่งสัตว์า <laughs> เกือบพึ่งสัตว์ป่แล้วนะ ใครจะมาช่วยกันบ้างนะฮะฝากนองหวังไว้กับเราไปเป็นคนดีด้วยช่วยกันเถอะพวกเราอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นเึิงอื่นวัตถุอื่นแล้วไปช่วยคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้มันมีมากวุญจึงเป็นเครื่องกำจุโลกเพราะคนเป็นคนดี นียังมาช่วยกันแล้วนยไม่ใช่มาขอที่นี่มาใช่ที่ขอเป็นที่มาสร้างเอาขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนขอเป็นส่วนร่วมพวกพวกเราแม่ม่เลยอยู่ด้วยก็มีส่วนร่วมอยู่ก็ปล่สอนธรรมะที่โน่นที่นี้บาลก็ไปเทศวัดสนามในเราเป็นบนกระถิน เอกวันที่ยี่บสามก็จะไปพูดที่ปักทงชัยเขาเป็นบุญบุญตัวเขาคือภาวนา น, นี่แหละโยคะภาวนาแต่เราก็โยคะเนี่ยเคลื่อนไหวในโยคะไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยนะยกมือเคลื่อนไหวใมันบริหารหน้าอกหัวใจต้นคอ ใบหน้าด้วยอย่านั่งหลังขดหลังงอนะเอวอนึงเอวสองหน้า อ, อกสามต้นคอสี่ใบหน้าไม่ใช่นั่งนี่มาเลยให้มันไปต่อเฉาะมองใบจักมองใบจักเท่าความสูงของตัวเราเราสูงเท่าไหร่ใช่ไหม วัดจะเข้ารไปควบสงอได้ฉากพอดแต่คนสูงก็วัดจะเข้าไปวัดประมาณเท่ามองไงมันจะไมาคคยง่วงถ้านั่งแบบนี้ง่วงนั่งมองเกินไปกับฟุ้งสา่นมองอะไรเอวต้องรักษาสภาพให้ดีหน้าอกก็ต้องรักษาดีถ้ามันตำ้าลงก็ยืดขึ้นใหม่ อย่าเปน็ น, นยังหลังควันงอโนเลยเกิขึ้นมาใบหน้าด้วยใจด้วยอมยิ้มไว้บางคนหน้าบูดบูดเวลาทําทีหน้าบูดบูดบรรยุกปัญยากอะไรไม่สนุกเิ้งๆอ่ะหัวลอกคลองหลงหัวลอกกระทุกเน่ยมาบริหารสวนเนี่ยโยคะถ้ามันง่วง เอออเออกตานามันส yeah ักหน่อยปุ oh, God. Oh, God. Yeah. Yeah> ุกให้มันตื่นขึ้นมายืดตัวขึ้นมาเอาหลายชากก็ได้เอาง่วงปั๊บใครสอนอ่ะ กาบันจะร้อยข้างเลยมังม่วงเลยไหนว่าท่ากา <laughs> หามาที่ไปจนบางคนไปจนคนม่วงเนี่ยนั่งสบงบโอ๊ยทำไมต้องจนขนาดนั้นปภาษาคงง่วงเฉยๆมันฉี่ช่างฉีมามาเลยไม่มีอะไรเลยปลกตัวงี้ยมาอ่าเนาะโยคะ หลงตาแข่งแขนไอพันหนึ่งสองนาทีได้ข้างนึ่งยืนขึ้นแข่งแขนได้พันข้างได้มาสติมากรเดิ น, ก, น, นก็ไปก็มาช้าบ้างไวบ้างมันก็ดีคนที่เดินมาได้หัดเดินดูสิเจ๋วเลยลองอาอยุเท่ากันมาเดินแข่งหลงตาดู <laughs> ว่าจงก่อนนะนี่ไม่ใช่ดีแต่พูดนะก็ทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่๋ยวนี่อาจารย์ก็มาฐานแม่ไก่สองรูปนั่งอย่างนี่หลายชีวิตจะนั่งอย่นี้ช่วยกันจะดูแลท่านไม่พาผิดพาหลงฟังเราอเราก็เราพาทำใหม่ทำดูนะ อ้าววันนีก้ก็สมควรเฉยเวลาละกับพระพร้อมกัน